ถ้ามีการตั้งคำถามว่าปฏิสัมพิธาเนี่ยนะบรรลุเมื่อไหร่บรรลุตอนไหนว่าถึงขนาดไหนจริงๆจึงจะเชื่อว่าเป็นผู้ได้ปฏิสัมพิธาก็บอกว่าบรรลุพร้อมกับอริยผลเมื่ออริยผลมีนะจะได้ปฏิสัมพิธามาพร้อมกันเลยอย่างเช่นถ้านโนนเนี่ยพอได้โสดาปฏิผลก็ได้ปฏิสัมพิธามาด้วยเห็นไห ได้ได้พร้อมกับการบรรลุะนะเมื่อมีการบรรลุอุปมาเหมือนกับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยถือว่าเป็นตอนไหนถืออรหัตตมรรคเกิดอรหัตตมรรคดับไปเป็นปัจจัยแก่อรหัตตผลความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มมีตั้งแต่อรหั ต, ตผลเป็นต้นมาเนี่ยนะแล้วคุณธรรมอื่นๆเช่นทศพลยานนะนะสิประการเนี่ยนะยามที่เป็นกําลังของพระพุทธเจ้าสิบ ยานที่ทำให้พระองค์แก้วกล้าสี่ประการหรือพยานอื่นๆต่างๆก็จะมาพร้อมกับอรหัตผลเนี่ยนะปฏิสัมพิทาก็เหมือนกันเนี่ยนะมาพร้อมกับอริยผลทั้งหลายมันผู้ที่บรรลุมรรคผลทุกท่านถือว่าได้ปฏิสัมพิทากันหมดแต่ว่าจะแตกฉานมากแตกฉานน้อยอีกเรื่องนึงเนี่ยนะเพราะว่าขีความความสามารถของปัญญาเนี่ยไม่เท่ากัน บางแห่งกล่าวว่าพระอรหันต์สุขาวิปสัสสกเนี่ยนะมีปัญญาเหมือนแสงหิ่งห้อยในโลกที่มืดมิดเนี่ยนะสว่างขึ้นนะปัญญาของพระอรหันต์ที่พวกปฏิสัมพิทาก็จะมากกว่านั้นนะถ้าพระอรหันต์ที่เป็นพระมหาสาวกอย่างพระสารีบุตรก็เหมือนกับไฟกองโตๆหน่อยปัญญาของพระบาเจกก็เหมือนกับแสงจันทร์นะสว่าง ปัญญาของพระพุทธเจ้าก็เหมือนพระอาทิตย์ในยามเที่ยงวันอะแล้วของเราล่ะบอดสนิทก็เห็นอริยสัจไม่ละถ้าเห็นก็ขออภัยด้วยนะถ้าเห็นก็นุมโมทนาด้วยถ้ามองอะไรก็ไม่เห็นอริยสัจสักทีเลยนะนั่นแหละบอดสนิทแล้วล่ะเห็นไหมก็บอดจนไม่รู้ว่าสว่างมันเป็นยังไงคิดดูกระทั่าพอฟังธรรมบ้างยังนึกถึงเหมือนกับว่าฟังธรรม ท, ทีหนึ่งฟังอริยสัจทีหนึ่งเหมือนนึกถึงแสงสว่างครั้งหนึ่ง เหมือนึกถึงแสงสว่างนะแต่ก็ยังไม่ได้สว่างอะไรก็คนนึกถึงแสงสว่างเพื่อจะรักษาตาไปเรื่อยๆกว่าตามันจะสว่างขึ้นนะมองเห็นนะเออนั่นอะ่ะทุกทุกขสมูไทร์ทุกคาิโร่ทุกคาเโร ธ, โรธาคาไม น, นีปฏิปทาเคยตั้งคําถามมาวันหนึ่งเราคิดถึงอริยสัจกี่ครั้งน้อยมากถ้าน้อยแล้วจะบรรลุอริยสัจได้ยังไง น, นั่นนะเพราะว่าแค่นึกยังยากจะกล่าวไปใยัยถึงการ บรร ล, ลุเพราะว่าโดยที่สุดแม้ความฝันไทยเคยฝันว่าเห็นอริยสัจเงี้ยนะยังไงยากเป็นคําว่าบรร ล, ลุอริยสัจเนี่ยอย่างว่าว่างๆก็ต้องหัดเอามานึกบ้างนะเพื่อนจะได้บรร ล, ลุบ้างนะ น, นึกก็ยังไม่นึกเลยจะบรร ล, ลุอะไรเดี๋ยวก็อย่างที่ว่านะจักขูจักเนี่ยลืมตาเมื่อไหร่ก็เออจักขูจกักขูสมุทยัยจกักขูนิโรจกักขูนิโรธาคมไมนีปฏิปทาก็ค่อยยังชั่วหน่อยนะมันพอมีเข้าบ้างแนละเข้าหน่อยๆ น, นะ เออเห็นผมก็เกสาเกสาสมุทยัยเกสานิโรธเกสานิโรธคามินีปฏิปทาเห็นผิวหนังก็ตะโจตะโจสมุทยัยตะโจนิโรตะโจนิโรธคามินีปฏิปทาหมายความว่านึกๆอย่างนี้บ้างอะนะพอจะมีเข้าไปบ้างแต่ถ้าไม่นึกเลยคือเอานี้ก็ได้ไม่นึกแบบนี้ก็นึกอาศะท่ะอาทีนวะก็ได้แล้วจะนิสสาระได้ยังไงนั่นแหละ ก็คือการน้อมไปเพื่อจะนึกอริยสัจทีนี้ต่อไปนะว่าทางแห่งปฏิสัมพิทาสี่ชื่อว่าปฏิสัมพิฐามมักมักแปล ว, ว่าทา ง, งนะทางเพื่อให้ได้ปฏิสัมพิทาสี่ประการประกรณ์ประกรณ์รรคือคำพีนเนี่ยนะเรียกว่าปฏิสัมพิฐานมักชื่อว่าปฏิสัมพิฐานมักประกรณ์ประกรณ์ก็คือเครื่องทําให้แจ้ ง, งนะ ชื่อว่าประการพระอาธิาว่าอันลึกซึ้งแยกโดยประเภทต่างๆในปฏิสัมพิธานี้ท่านกล่าวโดยทําโดยประการต่างๆคือปฏิสัมพิธาเนี่นะเป็นคำพีที่แยกแยะแยกแยะคือทุกอย่างจะไม่ไม่คิดในแง่เดียวพิจารณาเรื่องเดียวจะไม่คิดในแง่เดียวเป็นการพิจารณาโดยรอบอย่างอย่างกว้างขวางเหมือนกับว่าคนที่ไปเรียนทําครัวมาจริงๆเลยนะ วัตถุดิบก็เหมือนกับของในตลาดธรรมดาแต่ว่าทําครัวได้ไม่มีสิ้นสุดนะนะทำอาหารเป็นสรารพัดอย่างการศึกษาพระธรรมก็ลักษณะเดียวกันผู้ที่ศึกษาปฏิสัมพิธานเนี่ยฟังเรื่องขันอย่างเดียวแต่ว่าขยายได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเราดูปฏิสัมพิธาของพระพุทธเจ้านะอย่างเล่มยี่สิบเจ็ดเนี่ยพระไตรปิฎกฉบับนี้นะเล่มยี่สิบเจ็ดพระพุทธเจ้าพูดเรื่องขันอย่างเดียวทาเป็นเล่มเลยของเรานะครับ ขันมีเท่าไรหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าขันมีห้าหลังจากนั้นเป็นยังไงก็ไม่ค่อยได้อะไรและก็อยู่นั่นแหละแต่พระพุทธเจ้าสอนโดยเป็นสูตรเนี่ยเป็นร้อยสูตรไม่ใช่ร้อยเดียวด้วยนะแล้วท่านลงละเอียดเรื่องขันอย่างเดียวอย่างลึกซึ้งก็ดูในขันขันทวิพัง์ไงเนะี่ยเช่นรูปแบ่งเป็นรูปหมวดหนึ่งหมวดสองหมวดสมหมวดสี่ไล่อย่างเงี้ยไปเรื่อยเวทนาก็มาประเภทกับเวทนาทั้งที่เป็นอดีตเวทนาทั้งที่เป็น อนาคตมันพระองค์สามารถแจกแจงได้อย่างละเอียดลึกซึ้งกว้างขวางอันนั้นเน่ยเรียกว่าผู้ที่มีปฏิสัมพิธาถึงที่สุดสามารถแจกได้ขนาดนั้นเพะนั้นผู้ที่มีปฏิสัมพิธานั้นเน่ยเป็นคนที่มองแง่มุมต่างๆหรือสามารถพิจารณาได้อย่างรอบครอบอย่างกว้างขวางลึกซึ้งเนี่ยนะเนี่ยคาว่าลึกซึ้งนี่ต้องคุยกันอีกทีหนึ่งนะไม่ใช่เ อ, อะโยนให้ลึกซึ้งอย่างเดียวลึกลึ ก, ลกยังไงกี่เมตรอ่ะ นะ ก, ก็ว่ายครั้งหนึ่งปฏิสัมพิธามัคตรกรณ์นี้นั้นอนนต่อไปนี่ชมคัมภีรก่อนชมคัมภี์ปฏิสัมพิธามันนนะมคในนะนะคนะว่าสมบูรณ์ด้วยอัฏฐะและพยายมชนะอะัฏฐะธรรมะอัฏฐะนี่แค่ไหนอัฏฐะก็คือความหมายแบบอย่างย่ออย่างอะไรนะแบบเนติประกรณ์ที่เราเรียนมานะสังกาสนะประกาศนาวิวารณาวิภัชนาเป็นต้นเนะี่ยคือ การประกาศการทำให้แจ้งการเปิดเผยเนี่ยนะก็คือถ้อยคำเหล่านั้นว่าโดยสรุปก็เป็นคำภีที่แสดงอย่างย่ออย่างปานกลางอย่างพิสดารเป็นการขยายโดยแง่มุมต่างๆเพราะฉะนั้นอัตถะแม้กระทั่งอัตถะของพระคมภีปฏิสัมพิธาเนี่ยอัตถะของศีลก็กว้างขวางอัตถะของการพิจารณาปัจจัยเนี่ยนะก็กว้างขวางลึกซึ้ง เพราะฉะนั้นกว้างขวางมากในอัฏฐะเพราะว่าโดยเฉพาะเนื้อหาของปฏิสัมพิธามีทั้งสามสิบเรื่องอ่ะนั้นก็ถือว่าอัฏถะนี่กว้างขวางมากและพยัญชนะแหละพยัญชนะนี่โหไม่มีจบมีสิ้นอ่ะถ้าถ้าท่านพิมพ์มาทุกคำํำนะไม่มีละไว้ในฐานที่เข้าใจกันที่เรียกว่าปยานเนี่ยถ้าไม่มีละไวน้นะเล่มแบบเนี้ยน่าจะห้าเล่มเล่มแบบนี้สักห้าเล่มได้เห็นไหมเพราะ ลึกซึ้งเป็นคำพีที่ลึกซึ้งคำว่าลึกซึ้งนี่แค่ไหนคำว่าลึกซึ้งเลยมาจากบาลีว่าคมภีรภาพลึกซึ้งความลึกซึ้งนี่มีอยู่สี่ประการเรียกว่าหนึ่งลึกซึ้งโดยเทศนาลึกซึ้งโดยวิธีการแสดงสองลึกซึ้งโดยอัถะลึกซึ้งโดยพยัญชนะสารนะนะลึกซึ้งโดยอัถะก็อัถะกว้างขวางพยัญชนะก็ วางขวางแล้วก็ลึกซึ้งโดยปฏิเวทเพราะฉะนั้นกระบว่าลึกซึ้งโดยอัดโดยทำโดยเทศนาและปฏิเวทเลยนะเนั้นนี่คือความหมายของคําว่าลึกซึ้งแล้วก็เนื้อความก็ลึกซึ้งถามว่าเนื้อความที่ลึกซึ้งที่สุดนี่คืออะไรนี่ปูนังเนี่ยนะลึกซึ้งอัดถะที่ลึกซึ้งอัดนั้นคือเป็นชื่อของพระนิพพานเพราะฉะนั้นเป็นคําพีที่ประกาศพระนิพพานที่ลึกซึ้ง ประกาศโลกุตรธรรมนะนะประกาศมรสีผลสีและพระนิพานหนึ่งประกอบด้วยสุญญาตาสุญญาตาเนี่ยแปลว่าความว่างเป็นการแสดงความว่างว่างยังไงไม่มีอะไรเลยใช่ไหมโล่งๆยังไงว่างคําว่าว่างเนี่ยเช่นการแสดงขันายตนะธาตุปัจจัยเนี่ยคือการประกาศความว่างคําว่าว่างไม่ใช่สิ่งนั้นไม่มีมีอยู่นะ เหมือนกับหม้อว่างหม้อมีแต่ว่าในหม้อไม่มีอะไรเรือนว่างก็แปลว่าเรือนมีอยู่แต่ไม่มีใครอยู่เรียกว่าเรือนว่างรถว่างนะมีใครไปด้วยไหมกับเบาว่างเนี่ยนะบบาว่างก็แปลว่าไม่มีใครนั่งที่นั่งว่างไอ้คำว่าว่างเนี่ยสิ่งนั้นมีอยู่เช่นขันอายตนะธาตุนี่มีอยู่แต่ไม่มีสัตว์บุคคลอยู่ในขันอายตนะธาตุท่านเห็นรูปโดยความเป็นคนใช่ไหมเห็นรูปโดยความเป็นสัตว์ใช่ไหม หรือว่าเห็นสัตว์นี่ต่างจากรูปรูปเป็นสัตว์ใช่ไหมตกลงไม่ใช่รูปมีอยู่ในสัตว์ใช่ไหมไม่ใช่แล้วสัตว์มีอยู่ในรูปใช่ไหมแล้วสัตว์อื่นจากรูปไหมก็เอาไงกันไน่ก็คือขันก็คือขันนั่นแหละอาศัยขันประชุมกั น, นโดยโบหาณว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลนี่แหละประมาณกับสมมตินายเหลืองอย่างเงี้ยนะนายเหลืองเนี่ยถามว่าผมของเขาใช่ไหมเป็นนายเหลือง เล็บใช่ไหมเป็นนายเหลืองหรือว่าร่างกายเขาเขาผมก้อนผนังเนื้อเอ็นกระดูกใช่ไหมหรือว่านายเหลืองเนี่ยอยู่ในผมคนเล็บผ น, นังไม่ใช่หรืออยู่นอกไม่ใช่แต่อาศัยมีองค์ประกอบแบบนี้เลยเรียกว่านายเหลืองเนี่ยนะนี้ก็เหมือนกันน่นะะขันท่าอายตระนามีอยู่แต่ว่าในนั้นไม่ได้มีสัตว์มีอะไรอยู่หรอกแต่ว่าสัตว์นะจะไปค้นหานอกสิ่งนี้ก็ไม่ได้เพราะสัตว์นี่เป็นโวหารแต่เดียร์ธีเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเป็นจริง วัณฑธรรมะที่พระองค์แสดงนี่ก็ประกาศถึงความว่างว่างจากความเที่ยงว่างจากความสุขว่างจากความยั่งยืนก็ประกาศสัจธรรมที่แท้จริงเรื่องวัตถุตาแล้วก็เป็นคำภีร์ที่ให้สําเร็จผลวิเศษในการปฏิบัตินะให้ผลวิเศษได้ยังไงเพราะว่าเป็นคำภี์ที่วัดการปฏิบัติ ด, ด้วยนะอย่างสมมติถ้าใครบอกว่าโอ้โหฉันเนี่ยเป็นคนเป็นนักฟังมากฟังมาเยอะเนี่ยนะ ฟังมาแล้วฟังว่าอย่างไงบ้างอ่ะเพราะฉหัวข้อในการฟังมีสิบหกหัวข้อเอาไว้วัดเลยใช่ไหมวัดว่าฟังมาดีจริงหรือเปล่าฟังมาแล้วรู้ว่านี้นี่อะไรนี้ทุกนี้สมุทัยนี้นิโรดนี้มรรคหรือฟังนี้ควรรู้ยิ่งควรกําหนดรู้ควรละควรเจริญควรทําให้แจ้งแค่ว่าฟังมามากฟังอะไรฟังแล้วแยกแยะอย่างนี้ได้ไหมถ้าฟังแล้วแยกแยะได้แสดงว่าฟังจริงเนีไงนะ ฟังเออนี่ยนะควรรู้ยิ่งควรกำหนดรู้ควรละควรเจริญควรทําให้แจ้งเป็นต้นหนาในเรียกว่านักฟังเขาบอกเขาเนี่ยศีลดีเยี่ยมศีนเป็นยังไงเดี๋ยวนะเขประกาศเลยว่าเออศีนเนี่ยศีละณะนะแล้วความหมายของศีระะ ห, หมายถึงว่าสมาทานนางกับอุปธารนางศีลมีลักษณะอย่างไรมีกิจอย่างไรมีสัมปติอย่างไรมีอาการปรากฏอย่างไรมีเหตุใกล้อย่างไรแล้วศีลมี ก, กี่ประเภท เนี่ยนะเป็นศาสตรปริยตัติต่ออัปริยัติต่เป็นตัวเนี่ยแบ่งประเภทเป็นยังไงศีล ส, นะสามารถนําออกจากวัตถทุกขได้อย่างไรก็เรียกว่าวนในรอบในเรื่องศีลงั้นถ้าเป็นผู้ที่รู้เรื่องศีลจริงก็เอาเรื่องศีลในปฏิสัมพินา์เนี่ยเป็นเครื่องวัดเอาไว้วัดเรานะอย่าไปเที่ยววัดคนอื่นก็แล้ววัดคนอื่นนะ่าจะได้อะไรกัน ไ, ได้ศัตรูเพิ่มไงในศัตรูเพิ่มเพราะว่าอยู่ๆก็เหมือนกับว่าเอาเหมือนกับว่าเราเป็นหมอจะไม่ไปขอเที่ยวตรวจคนไข้ทั่วไปหมดเนยนะ เขาอยู่บ้านอยู่ช่องอยู่ตามถนนก็ไปขอตรวจเข้าไปหมดเลยนะเสียหายแนะนะ่แล้วก็ถ้ารู้ปัจจัยแหละนะนะปัจจัยแค่ไหนก็ปฏิจจสมุปาตมาวัดดูเรียกว่าปัจจะญาปเรฆะหายานสัมมาสนายานเพ้นถือว่าเป็นคำพีที่ให้ผลสําเร็จในการปฏิบัติจริงๆเพราะว่าถ้าปฏิบัติต้องต้องบรรลุไปตามนั้นนะนะเพราะว่าคําว่าผลเนี่ยนะผลที่จะต้องเกิดขึ้นโดยลําดับนั้นผลที่จะมีผลระดับสูง ผลล่างๆต้องดีอย่างนี้นะฉะนั้นผู้ที่ศึกษาคัมภีปฏิสัมพิทาเนี่ยนะโดยวัตถุประสงค์ของคัมภีก็ห้ามอกุศลอันเป็นปฏิปักษ์เนี่ยนะเช่นอย่างยาณกถาแรกเนี่ยเป็นปฏิปักษ์ต่ออะไรก็เป็นปฏิปักษ์ต่อมิจฉาญานะเป็นปฏิปักษ์ต่อมิจฉาทิฐิเป็นปฏิปักษ์กต่อโมหะเนี่ยนะ แล้วก็ถ้าเรื่องอื่นๆก็ในยะเดียวกันเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นกัมพีที่ห้ามบาปห้ามอากุศลที่เป็นศัตรูอย่างมากเป็นรัตนากรแปลว่าบอ่อเกิดแห่งยานอันประเสริฐของโยคาวจรนะผู้ที่จะอบรมสมถาวิปัสสนานะถ้าได้นยะจากปฏิสัมพิธามมร์เนี่ยสามารถที่จะเจริญสมถาวิปัสสนาพิจารณาอัฏฐะเนื้อความได้อย่างลึกซึ้งเยียบขายนะนะอย่างเจริญใครเจริญเมตตานะถ้าศึกษาวิธีการ เจริญเมตตาแบบปฏิสัมพิทาเนี่ยสามารถเจริญเมตตาได้อย่างกว้างขวางเป็นร้อยในเนี่ยนะห้าร้อยี่สิบปดในเนี่ยนะสามารถเจริญได้กว้างขวางขนาดนั้นถ้าพูดแต่เรียนปฏิสัมพิทาปั๊บมิจฉาทิฏฐินี่โอ้วินิจฉัยได้เป็นร้อยรอยทิฏฐินั่นแหละเนี่ยนะถ้าเรียนเรื่องยานก็จำเนกยานโดยหัวข้อไปอยั่งกว้างกว้า ง, างใหญ่ ใ, ญ, ใญ่ก็ตั้งเจ็ดสิบสามยานเนี่ยนะฉะั้นผู้ที่ศึกษาปฏิสัมพิทาเนี่ยจึงทําให้เป็นบ่อกเกิดแห่งยานจริงๆเนี่ยนะก็ว่าถ้าอยู่กับ อยู่กับบ่อน้ําแล้วขาดน้ําดื่มนี่ก็หนักมากต่อไปเป็นคำภีที่เป็นเหตุอันวิเศษในการเยื่งกลทำรรมักระถของพระธรรมกถึกทั้งหลายก็แปลว่าถ้าใครอยากจะสอนคนอื่นอยากจะแสดงธรรมให้คนอื่นฟังนะก็ควรศึกษาปฏิสัมพิทาเอาไว้ถ้าไม่ศึกษาแล้วเราจะไปพูดอะไรให้เขาฟังเนี่ยนะแล้วพูดแล้วพูดให้จบอะไรพูดให้เป็นอะไรเป็นต้นเนี่ยนะในการแสดงธรรมเพราะฉะนั้นการเรียนปฏิสัมพิทาเนี่ย เท่ากับว่าเป็นการแยกแยะแล้วก็ผู้ที่แสดงธรรมเนี่ยเป็นการชี้ชัดวัตถุประสงค์ได้อย่างชัดเจนนะ น, นะคือมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนต่อต่อผู้ฟัง